ยังมาเรื่องเทธิตต่อเลยนะพูดถึงบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะที่ที่เป็นปุตุชนนั้นในหนึ่งคนเนี่ยมีรูปไม่เกินเท่าไหร่นะโดยทั่วๆไปนะมีรูปอยู่ย7่เรูปมีมีจิตได้กี่ดวงคุณชูศรีคุณมีจิตกี่ดวง ไม่ถึงงานสิบสี่นะไม่ถึงคืออกุศลจิตสิบสองอาเหตุตุกจิตสิบเจ็ดมหากุศลจิตแปดมหาวิบากแปดรวมเป็นเท่าไหร่อ่สี่สิบห้าดวงนะ เจตสิกได้ห้าสิบสองเลยในหนึ่งคนนะมีว่าเมื่อมีการแยกแยะแล้วจะได้รูปย7สบเจ 54, จจิตห้าเจตสิกห้าสบสองพวกเราเราท่านท่านทั้งหลายที่ที่นั่งกันอยู่นี่นะที่ในรูปจิตเจตสิกเหล่านี้ น, น่ก็เป็นที่อาศัยบัญญัติเรียกขานกันคือมีชื่อรองรับใช่ไหมสัท ธ, ธาบัญญัติคือมีชื่อรองรับว่าเป็นนายกนายขอนางงเป็นต้นเนี่ยนะก็จะมีชื่อต่างๆรองรับ <c oughs> นี่ก็ย้อนไปว่าถ้ามีชื่อรองรับเนี่ยนะ บุคคล น, นี้ก็เป็นที่ตั้งของบัญญัติสองประการคือสัท ธ, ธบัญญัติกับอัฏบัญญัติเนี่ยนะคือบัญญัติสัท ธ, ธบัญญัติก็คือในในในสรีระทั้งหลายแหละเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างใช่มมีชื่อรองรับทุกส่วนของร่างกายเลยนะตามหลักภาษาต่างๆ มนะที่เรียกว่าชื่อต่างๆนั่นเองชื่อต่างๆของร่างกายแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดจิตเจตสิกเนี่ยสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่ตั้งของชื่อทั้งหลายแหละที่เราเรียกว่าวิชากทั้งหลายในในโลกนี้ส่วน อ, อัธบัญญัติก็เป็นเกี่ยวกับเนื้อความสำนนวนวาเรื่องราวของของของอนนเน้นนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าบัญญัต เป็นสิ่งที่จริงโดยโวหารบัญญัตินั้นต้องอาศัยปรามัดเสมอถ้าไม่มีปรามัดเนี่ยจะไม่มีบัญญัติเลยเพะะนั้นคําว่าปรามัดแปลว่าเป็นประธานของบัญญัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาศัยเนี่ยคือรูปจิตเจตสิกเหล่านี้นี่แหละจึงเกิดสัทธะบัญญัติเกิดอัทธะบัญญัติขึ้นมาเนี่ยนะอัทธะทั้งหลายก็เกิดขึ้น อัถาก็คือเรื่องราวเช่นประวัติความเป็นมาเป็นต้นเนี่ยนะของของบุคคลเหล่านี้ <c oughs> ส่วนบัญญัติทั้งที่เป็นสัทธาบัญญัติและอัฐาบัญญัติเนี่ยนะก็มีบัญญัติที่เศษที่เอาไว้เจริญกุศลก็มีเียนะคือในบุคคลเนี่ยที่ที่เราเรียกสมมุติว่าเป็นเป็นบุคคลเนี่ยมีศัพท์คือปุคละ สะตะัตตาเนี่ยนะปานะภูตา น, นะบุคคลก็ก็แบ่งอีกว่าบุคคลเนี่ยเป็นปิยมนาปะอย่างหนึง่งทุกขิตศรรัตร์เนี่ยนะ ทุกขิตะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือสุขิตะแล้วก็มัชชตะอันนะี้เพราะว่าคำว่าสัตตะปานะพูดบุคละเนี่ยนะเป็นเป็นศัพท์ที่เรียกรวมๆของของบุคคลเนี่ยน ะ, ะใช้ใช้ศัพท์แทน ใช้สับไหนก็ได้ใช้คำว่าบุคคลก็ได้ใช้คำว่าสัตว์ก็ได้ปานะก็ได้พูดก็ได้ในในสับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะสามารถใช้ได้หมดเลยทีนีท้ที่คุ้นเคยกันเนี่ยบุคคลกับสัตว์ใช่ไหมถ้าเป็นคนแขกอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าปานะกับสับว่าพูดเนี่ยนะแต่จริงๆก็คือรวมๆนี่แหละทีนี้ ถ้ามองว่าบุคคลนี้ปิยมนาปะเป็นที่รับเป็นที่เจริญใจปกติจิตที่คิดอย่างนี้โดยมากเป็นเมตตาเพราะว่าน้อมประโยชน์เข้าไปเนี่ยนะคือเป็นการคิดที่น้อมประโยชน์เข้าไปให้บุคคลนั้นอันนี้เป็นเมตตาส่วนความคิดที่ นำนำความทุกข์ออกเนี่ยนะที่เรียกว่าการุณาคือการนำความทุกข์ออกก็เป็นกรุณาถ้าบุคคล น, นี้ควรที่ครกว่าขอให้เขาสุขก็ดีแล้วให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะความคิดลักษณะนั้นเป็นมุทิตา ันนี้ก็เรียกว่าส่งเสริมสุขนะส่งเสริมให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปเช่นเขาได้อะไรก็ตามที่ดีนะไม่ว่าจะวิบากที่ดีโคคะมากเป็นต้นก็ยินดีไปกับเขาอันนั้นก็เป็นมุทิตาส่วนปรารบสรัตว์ทั้งหลายก็มาด้วยกรรมของตนจากไปตามกรรมของตนเป็นต้นเนี่ยนะเช่นเรียกว่าปรารบกรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุเบกขา เพราะฉะนั้นสรรบัญญัติทั้งหลายที่ไม่ว่าจะบัญญัติว่าบุคคลว่าสัตว์ปานะภูตาก็ให้เจริญเป็นจเจริญเมตตาจเจริญกรุณาจเจริญมุทิตาและเจริญอุเบกขาเพราะฉะนั้นการปรารบโดยความเป็นสัตว์ในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญเนี่ยนะยกย่องชักชวนให้คิดแบบนี้ให้มากเพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ชอบเนีย่ยนะการคิดแบบนี้เป็นการปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้นก็มันคิดแบบนี้อนัพพานการคิดถึงสัตว์ในลักษณะนี้เป็นไม่ใช่มิจฉาทิฐนะิเมื่อวานนี้ได้กล่าวถึงว่าจิตที่เกิดมิจฉาทิฐิเนี่ยนะคือโลภะมูลจิตสี่ดวง โลภะทิฏฐิขตะสัมปยุตตจิตสดวงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนจิตที่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยคือโลภะวิปยุตเนี่ยนะสี่ดวงโทสะมุรจิตเนี่ยนะสองโมหะมุรจิตอีกสองเนี่ยนะแล้วมหากรุสนมหากุศลญาณวิปยุตเนี่ย สดวงนี้ก็ไม่ไม่มีปัญญาประกอบไม่เป็นสัมมาทิฐิและไม่เป็นมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นโลภะ ม, 4, มูลจิตทิฏฐิก็ตาวิปปยุตสีโทสะมูลจิตสองโมหามูลจิตสองมหากุศลญาณวิปปยุตจิตเหล่านี้ไม่เป็นสัมมาทิฐิและไม่เป็นมิจฉาทิฐิเลยเนี่ยนะไม่เป็นทั้งสัมมาทิฐิไม่เป็นทั้งมิจฉาทิฐิเนี่ยนะแต่ว่าโลภะวิปปยุตสดวงโทสะ โมระจิตสองโมหะมูลจิตสอ ง, ส อ, งอันนี้เป็นอะไรเป็นอกุศลส่วนมหากุศลญาณวิปมหากุศลญาณวิปปยุตยสดวงเป็นกุศลเนี่ยนะอันนี้เป็นความต่างกันแต่ทั้งคู่ไม่เป็นสัมมาทิฐิและเป็นมิจฉาทิฐิอะไรเลยเนี่ยนะส่วนมหากุศลญานสัมปยุตเนี่ยนะสีดวงอันนี้เป็น สัมมาทิฏฐิอันนี้ถ้ากล่าวโดยจิตเป็นอย่างนี้ทีนี้จิตทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยรู้บัญญัติหมดเลยคือรู้ทั้งบัญญัติและประมัติเนะเพราะฉะนั้นการรู้บัญญัติก็ไม่ไม่เสมอไปที่จะต้องเป็นอกุศลคือเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ห ในการเจริญเมตตาเนี่ยก็เน้นจิตแค่ถ้าเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาที่กําลังพูดถึงเน้นมหากุศ ล, ลจิตแปดนีนะทั้งที่เป็นมหากุศลญาณสัมปยุทธ์ทั้งที่เป็นมหากุศลญาณวิปยุทธ์เพราะฉะนั้นวิธีคิดตรวจสอบดูว่าจิตเป็นไปกับกุศลเมื่อปรารบโดยความเป็นสัตว์เนี่ยนะเอาเนี่ยสี่อย่างนี่มาจับดูหนึ่ง สำนวนว่าเอาคิดถึงผู้การธนัตเหมือนั้นเถอะปรารบเมตตาไหมคิดว่าคิดน้อมประโยชน์ไหมคือมิตรทั้งหลายคิดให้ได้ประโยชน์อ่ะนะคิดลักษณะนี้ไหมถ้าคิดแบบนี้เป็นเมตตาคือคิดนำประโยชน์เข้าไปให้เรียกว่าคิดให้มีความสุขความเจริญนะให้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความพยาบาทบริหารตนให้เป็นสุขนะความคิดลักษณะนี้เป็นเมตตาถึงจะใช้สาวว่าผู้การธนัตอะไรก็ไม่ได้ผิด ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะแล้วขณะที่คิดแบบนี้เป็นมหากุสลส่วนจายานนะสัมปยุทธ์หรือวิประยุทธ์ก็ว่าเป็นรายขณะไปว่าขณะนั้นที่เจริญนี่มีปัญญาประกอบหรือไม่หรื อ, อพอเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะเอ๊เขาหน่ากรุณาเ้าหน้าเห็นใจนะเขาเป็นคนป่วยเขาเป็นคนไม่สบายเขาเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคือเห็นใจเขาอ่ะนะก็อยากจะช่วยเขาอ่ะอยาก ความคิดแนวบำบัดทุกข์นนะความคิดลักษณะนี้ถ้าคิดไปก็เป็นการุณาอันนี้ปรารบโดยความเป็นสัตว์นะเสร็จแล้วถ้าเขามีดีนะคือคือมีดีอ่ะมีดีส่วนไหนก็ยินดีไปกับเขาอันนั้นก็เป็นมุทิตาเนี่ยนะแต่การปรารบกรรมเนี่ยนะถ้ากรรมกรรมที่เป็นมัชชตะที่อุเบกขาตรงนี้ ต้องเป็นพื้นฐานที่มาจากเมตตากรุณาหรือมุทิตานะคือเพราะว่าการเจริญเมตตาการเจริญกรุณาการเจริญมุทิตาเนี่ยเป็นปัจจัยให้การเจริญอุเบกขาพ่านอุเบกขาจริงๆแล้วท่านบอกว่าให้เจริญเมตตาให้ได้ฌานที่3ก่อนเจริญอ่านะฌานที่3หรือฌานที่4เนี่ยนะถ้าฌานที่3เรียกจะตุกกนในฌานที่4ปัญจกะในเจริญมุ กรุณาให้ได้ฌานที่สามที่สเจริญมุทิตาให้ได้ฌานที่3ามที่4ี่แล้วค่อยมาเจริญอุเบกขาทนี่นะทีหลังเมื่อได้ฌานเหล่านั้นและจึงเจริญไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยอุเบกขาแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยอุเบกขาจะต้องไปเพื่อที่จะโน้มไปเรื่องอื่นขึ้นต้นด้วยการปรารบกรรมเลยนะเพื่อจะได้เป็นบาทในการเจริญวิปัสสนาต่อไปซึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในประเด็นอันนี้นะ คือการปรารบกรรมและผลของกรรมมันจะมีอยู่สองใน <c oughs> ในยยการปราบวัาสัตว์ทั้งหลายมาด้วยกรรมของตนก็จักไปตามกรรมของของตนเนี่ยนะการวางใจแบบนี้เป็นลักษณะของอนะุเบกขาเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเขาจักไปตามกรรมของเขา แต่ถ้าเป็นกรรมที่ที่เป็นบาทของการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะหมายถาว่าจะต้องรู้ชัดว่าตัวกรรมเนี่ยคืออะไรแล้วผลของกรรมที่เรียกว่าวิบากและกรรมมชรูปเนี่ยนะอันเนี้ยมีความเข้าใจในส่วนนี้ชัดเจนว่าก็คือเข้าใจในปัจจัยและปัจจยุบันหรือเข้าใจเหตุและผลเป็นเป็นอย่างดีนั่นเองนั่นเอง มันอันนี้พื้นฐานอันนี้จะเป็นปัจจัยแห่งการเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจะจคนละกลุ่มกันกันกบที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเข้ามาด้วยกรรมข้องเข้าขเข้าจากไปตามกรรมข้องเข้าที่เป็นอุเบกขาพรหมวิหารนจะคนละกลุ่มกันแต่ว่าเป็นปัจจัยใกล้กันไหมบอกว่าเป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าบัญญัติลักษณะนี้ไม่ผิดนะอันนี้เพื่อเพื่อที่จะได้เจริญพรหมวิหาร กับอีกในหนึ่งคือการบัญญัติเพื่อที่จะให้เกิดศีลก็ก็บัญญัติเหมือนกันวุฒะเนี่ยนะบุคคลเนี่ยบุคคลผู้เจริญเนี่ยนะวุฒาปจายโน่เนี่ยที่คื อ, ค, อคือเป็นบัญญัติเหมือนกันใช่ไหมคืออะไรพ่อแม่อะนะลุงป้า น้หรืออาพี่เป็นต้นเนี่ยศัพ์บัญญัติเหล่านี้จะก่อต่อด้วยศีลได้เนี่ยนเป็นเหตุให้ตั้งหีริและโอตตะปะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นต่อด้วยศีลนี่ก็บัญญัติเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เขาเป็นพ่อนะเขาเป็นแม่นะเขาเป็นพี่นะเขาเป็นพื่อเขาเป็นญาตินะเขาเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่เราจะประพฤติทุจริต หรือไม่สมควรที่จะล่วงเกินบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะก็มากัน้นความคิดที่มากั้นแบบนั้นเป็นเป็นศีลเนี่ยนะงั้นขณะที่ปรารบแบบนั้นเลยนะแล้วเกิดการสังวรขึ้นอันนั้นเป็นศีลขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะของศีลผู้ที่มีกุศลศีลเหล่านี้เป็นบาตก็สามารถที่จะมาเจริญพรหมวิหารเหล่านี้ได้ พวกนี้ก็เป็นบัญญัติเหมือนกันนะเป็นทั้งศัทธบัญญัติและอัตตบัญญัติเนี่ยนะที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะการเจริญเมตตาการเจริญกรุณาการเจริญมุทิตาการเจริญอุเบกขานี่เป็นเอ่อขอไปมีสัตว์เป็นอารมณ์อยู่แล้วหรือการตารบแบบนี้ก็มีสัตว์เป็นอารมณ์เห็นไหมแต่ทั้งหมดเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของรูปจิตและ เจตสิกเนี่ยอันนี้โย่อๆมาแบบอภิธรรมมัตสังหะนะเหลือให้มันโย่อๆแบบนี้เพื่อพื้นฐานจะเป็นสื่อในการศึกษาทีนี้ถ้าผู้ที่คิดเรื่องบัญญัติแต่แตกต่างจากหลักการเหล่านี้ะนะคือหมายความว่าคิดว่าเออเนี่ยบัญญัติคนนั้นแหล ะ, ะสัตว์นั้นบุคคลนั้นทั้งหลายแหละเนี่ยนะ ก็มาดูว่าคิดด้วยโลภะวิปปยุทธ์ที่เช่นออกไปในด้านมานะมีไหมหรือว่าโลภะแบบชอบเฉยๆหรือโกรธหรือคิดฟุ้งๆหรื อ, อ, อจิตเป็นไปกับทานเนี่ยนมะมาคุศล ญ, ญาณวิปปยุทธ์ต้องเป็นทานศีลภาวนาทานศีลภาวนามาวัดดูมันเข้าไหมละ่ะ มันเข้าจิตในจิตอย่างใดอย่างหนึ่งไหมถ้าไม่เข้าก็อันนี้แหละเขาละ่ะเขาก็จะเป็นมิจฉาทิฐิในในวัตถุนี้ได้คือจะเป็นสัมมาทิฐิหรือจะเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ที่ปัจจัยนั้นๆนะซึ่งซึ่งตอนนี้เราแยกตัวตัวจิตที่เป็นทิฐิกับจิตที่ไม่เป็นทิฐิขึ้นมาพูดก่อนยังไม่ได้พูดถึงปัจจัยของ มิจฉาทิฏฐิหรือปัจจัยของสัมมาทิฏฐิอะไรเลยเนี่ยนะก็พูดถึงตัวเฉพาะตัวทิฏฐิสัมปยุทธ์เอ่อขอไปทิฏฐิคตสัมปยุทธ์หรือทิฏฐิคตะวิปยุทธ์เท่านั้นเองทีนี้ผู้ที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะอันนี้เราจะพูดถึงตัวทิฏฐิต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าทิฏฐินี่มันแบ่งออกเป็นสองทิฏฐิ ที่กำลังเรียนเนี่ยนะคือส ก, กายะทิฐิในสังโยชน์นะส ก, กายะทิฐิสังโยชน์อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือสีลพัตตปรามมาส่วนส ก, กายะทิฐิเนี่ยเป็นเหตุของทิฏฐิ62ทั้งที่เอทิฏฐิ62ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ อุดเชืทิฐิและสัตตทิฐิทีนี้ในบรรดาทิฐิเหล่านั้นก็แบ่งออกเป็นสองอีกคือทิฏฐิที่เป็นอดีตเรียกว่าปุพันตะทิฐิปุพันตะทิฐิกับอปรันตะทิฐิคือพวกนี้จะคิดเรื่องอนาคตนะพวกคิดเรื่องอดีตเป็นปุพันตะทิฐิพวกคิดเรื่องอนาคตต่อไปนี้เป็นอปรันตะทิฐินไ ปุพันตะกัปปิกะทิถีนี่มีอยู่18ด้วยกันอรันตะทิถีมีอยู่สี่สิบสรวมกันเป็นเท่าไหร่ห2สิบสองก็จะเป็นทิถีหสิบสองส่วนสกายะทิฐีที่เป็นฐานพื้นฐานดั้งเดิมมีอยู่ยี่สิบแต่ทั้งหมดนี้นับหนึ่งเพราะฉะนั้นในในพระสูตรตัวหนึ่งก็บอกว่าทิถีหิบสองและ ทิฐิอีกหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิหกสนี่นะคือสากายะทิฏฐิทั้งหมดนับหนึ่งก็เลยมีมีอีกสับหนึ่งคือทิฐิ60และสก็คือทิฐิหกนั่นเอง น, นี่อันนี้ก็คือกลุ่มทิฏฐิ ท, ทีนี้ถ้าเมื่อพูดถึงทิฐินี้ที่เหลือเท่ากับถือว่ารู้กันรู้กันว่าเราไม่ได้พูดถึงจิตเรานั้นนั้นนะคือพูดในขณะที่เป็นทิฐิอย่างเดียว เมื่อวานตั้งคำถามว่าทำไมจึงเกิดทิฏฐิขึ้นทิฏฐิเกิดจากอะไรใครดีโชคดีใช่นั่งคิดอะไรเพลินๆหลังห้องมาได้เนี่ยว่าเราก็พูดไปเขาก็คิดไปเนี่ยนะหมดเวลาพร้อมกันพอดีเลยไมเอา <laughs> อะไร <laughs> เหตุของมิจฉาทิฏฐิมีหนึ่งการไม่ได้ฟั ง, งนะ อ, อสุตตวานี่นะคือว่าให้ตรงอ่ะคือความเป็นปุตุชนนเถอะว่าว่าตรงๆเลยนะคือความเป็นปุทุช น, น, น, นะนที น, ทนี้ปุทุชนนี่ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหกลยาณนะปุทุชนกับอันทะปุตุชนเนี่ยนะอันทะก็อันธภาสนั่นแหละอันเดียวกันอันทะปุตุชนอย่างหนึ่งกับ กัลยาณนะปุตุชนเนี่ยอย่างหนึ่งอันทปุตุชนคือปุตุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยนะพวกอันทาปุตุชนเนี่ยเงื่อนไขก็คือหนึ่งไม่ได้สดับสองไม่ได้เห็นพระอริยะคือไม่เห็นพระอริยะข้อสามไม่ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะข้อสี่ก็ ไม่มีวินยัยไม่มีวินัยสิประการของพระอริยะพวกนี้คือความเป็นปุตตุชนประเภทอันทาปุตตุชนส่วนกัลยาณนะปุตตุชนก็คือตรงกันข้ามคือพวกที่ได้สดับเพื่อที่เห็นพระอริยฉลาดในธรรมะของพระอริยมีวินัยของพระอริยและเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยพวกนี้จะเป็นกัลยาณนะปุตุชนส่วนอันท่ปุุชนคือปุตุชนที่ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะเนี่ยนะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินยัยทั้งสิบประการคือวินัยของพระอริยะทีนี้เมื่อไม่มีอย่างนี้เข้าจักเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นใช่ไหมคือคือที่มาของมิจฉาทิฐินี่จะเข้ามาเลยทบทวนอีกครั้งว่าถ้าไม่ได้สดะดนี้ไม่ได้สดับอะไร ไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยะเนี่ยนะต่างโดย น, นะไม่ได้ฟังเรื่องไม่ได้ฟังขันอายตนะธาตุหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอภินยยธรรมเนีย่ยนะอะไรเป็นปริญยยธรรมอะไรเป็นปหาตพรธรรมอะไรเป็น ภาเวตประธรรมอะไรเป็นสัจชิกาตประธรรมพวกนี้ไม่ได้ฟังเลยไม่ได้เรียนรู้เลยซึ่งธรรมะเหล่านั้นก็ต่างโดยขันอยตนะธาตุนั่นเองไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนไม่ได้สลับไม่ได้อะไรเลยข้อที่สองไม่เห็นพาเรยะนี้เน้นไม่เห็นอะไรไม่เห็นอนิจจาลักษณะเป็นต้นที่เป็นธรรมะที่จะทําให้เป็นพาเรยะสรุปก็คือไม่เห็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเป็นต้นนั่นเองที่นี้เรียกว่าไม่เห็นผ้าอริยะเพราะว่าไม่ได้เน้นเอาเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอ่ะผ้าอริยะนี่แหมจะเห็นเฉพาะด้วยจักขูวิญญาณเนี่ยนะท่านก็บอกว่าสุนัขบ้านสุนัขจริงจอกมันก็เห็นหมือนันเถอะใช่ไหมท่นก็ไม่ประสงค์เอาเห็นแบบนั้น เอาเห็นแล้วมันพอจะเป็นอาริยะกับเข้าได้บ้างอะนะเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ส่วนไม่ฉลาดในธรรมะของพระอาริยะคือไม่ฉลาดในสติปัฏฐานสมมติปัฏฐานอันนะี้อิทิบาทอินรีย์พร ะ, ะโพชฌงอริยมักอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่มีความรู้เลยเรียกว่าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะเนี่ยนะคือไม่ฉลาดตัวธรรมะที่จะทําให้เป็นพระอริยะเพราะว่าตัวสติปัฏฐานเป็นต้นเป็นธรรมะที่จะทําให้เป็น อริยะเนี่ยนะะแล้วก็ไม่มีสังวินัยเนี่ยนะวินัยโดยย่อเป็น2ใช่ไหมสังวรวินัยกับประหานวินัยสังวรวินัยมีอยู่5ประการใช่ไหมสังวรหประหานวินัย5ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเขาเรียกว่าอันท่าปุตุชนเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นปุตุชนอันนี้แหละเป็นต้นเหตุของมิจฉาทิฏฐิที่จะกล่าวต่อไป